เราเป็นผู้แสวงหาบุญกุศลต้องพากันหาวิธีที่จะให้เกิดบุญเกิดกุศลอุปายใหนที่จะให้เป็นไปเพื่อบุญกุศลให้หาเอาไปนะั่นแหละท่านบอกว่าเราต้องพากันคิดถึงความดีของตน ยวให้จิตส่งไปนอกจากความดีเรียกว่าบำรุงกำลังใจยของตน <c oughs> ดยการคิดนึกถึงเรื่องบุญอยู่เสมอเสมอนั่นอย่างหนึ่งยกยอชมเคยเสนอสจิตที่มันคิดนึกความดีนั่น ยกเงาชงเชยให้เกิดเพิดอพื้นยินดีตลอดะเวลานั่นอย่างหนึ่งค่มขีจิตนั้นคันถ้าหามาคิดทางชั่วคิดออกนองลูโนอกทางค่มขีเอยียดหยามดูถูกทำมาละอายใจนี่กลับคืนมางั้นอย่างหนึ่ง อย่างหนึ่งให้ละทิ้งเสียแอบคิดทางช่วยอะไรละทิ้งเสียทั้งบ่าวกุศลไม่เอาละทำได้อย่างนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้เจริญเป็นผู้งอกงามในคุณงามความดีคือคุณกุศลในไหนแล้วก็ต้องการพุ่นแล้ว เป่าเรไม่ต้องการต้องหาวิธีอย่างนี้จิต ท, ที่มันคิดความดีความงามอย่างว่าจิตมันเฉยเยมันไม่คิดไม่นึกไม่รู้สึกอะไรเลยเฉยเฉยอยู่ที่จริงมันมีนะแต่มันไม่รู้สึกมันไม่คิดไม่นึก มันเป็นความโง่ใชนไมมันไม่ใช่ความฉลาดไม่เกิดปัญญาเราจังเราจึงค่อยบำลูงให้มันเกิดดูบายปัญญาขึ้นโดยดบายต่งางในเวลานี้มันเป็นอะไรอยู่ทำไมอยู่ท่ฉยๆไปเลยมันนิ่งมันเป็นพระเหตุที่เราไม่ได้คิด ท่านเราคิดเรานึกรู้สึกว่าเราเฉยมาจากไหนเป็นอะไรแล้วจังไปเฉยก็จะเห็นความดีของเราขึ้นมาแต่ก่อนเราไม่เฉยเวลานี้เราเฉยอยู่เราไม่คิดไม่นึกเรากรุงไม่แตะอานนั้น็ดีขั้นหนึ่งแล้วที่กุฏิเก่อน เราคิดเราหนึ่งเราคิดเอาเราเาื่อเราปรุงเราแต่งเราโต้โทสะมาน่าทิฏฐิมากมายแต่นี่มันเฉยยังเห็นความดีของตอนจิตมันก็ตื่นขึ้นมาเลยคะ่ะนี้รู้สึกว่ากระปี้กระเป๋าขึ้นมาพยายามทําคุณงานกลวด่ดีเห็นคนเลี้ยงตนนะคะ่ับ อบใจยินดีอันนี้ปอกใจของเราถ้เกิดควา ม, ช ม, ชมดีติดถ้าเกิดความปลื้มใจเรียกวจิตควรชมเชยควรสมเชยสิยกยอสิห้เกิดเพลิดเพลินใจขึ้นาามาม อันนี้ถ้าหางมันคิดชั่วคิดในทางที่ไม่ดีไม่ถูกมันคิดเร็วสามเราเป็นคนเนียแท้ทำไมจะคิดเร็วสามธนาธนามันลงดา ม, มาลงอันนั้นไม่ใช่คนนะใช่ไหมอันนั้นเป็นสัตว์อันนั้นเป็นของไม่ดี มันสายไปตกนรกเราเป็นคนจะแสวงหาวนรกเราเป็นคนทำไมแสวงหาสัตว์ทั่วไปมันมันต้องเป็นอย่างนี้แหละเราไม่ใช่คนส่วนคระหะมินทามจิต ท, ที่มันคิดชั่วคิดเร็วสาร ม, มันคิดเหี่ย ให้กระหักมิมทางอย่าให้ไม่คิดไปได้จนกระทั่งมันละอายเกิดความละอายแล้วมันจะกลับคืน่ามามอยู่คงที่มันเลเรียกว่าจิตคว ร, รกระหักควรคงที่จิตควรละ ส่วคมในจิตควรละอันนี้มันเกิดกิเลสโทสะมา น, ามนะอะไรเกิดขึ้นมาลําดี์ลําไรลําคาดไม่รู้แ ล, ล้วรู้หลอดเป็นชักวทีโทสะมานะทิฏฐิแต่ในแต่ไรมันเกิดอย่างนั้นอ่ะกิเลสทั้งหลายมันเกิดไม่รู้แ ล, ล้วรลอดเป็นชักวที เพาเหตุที่เราไม่ละไม่ทิ้งเห็นเวลาแดกก่อนกิเลสของเก่าน่ะโทสะมานะที่ดีของเก่านะปีไหนเดือนไหนของของเก่าอนะ่ยเมื่อไรเมื่อไรเกิดขึ้นมาคือของเก่าเนี่ยมันเกิดชิดปิจัยของเรามันเกิดทางตาหูจมูกลิ้นกายกรรมตะมารวมไปที่ใจนี่แหละ ตาเห็นก็ไม่ชอบหูได้ยินก็ไม่ชอบแต่โมกถูกกินก็ไม่ชอบได้นถูกเลิก็ไม่ชอบทายถูกเรื่อผัดก็ไม่ชอบจริงที่ไม่ชอบมันเกิดโทสัเกิดความน้อยใจเห็นว่าตัวนี้ตั้งต้อยหน่อยน่อยหนาน้อยตาเขาเหมือนเขา ถ้าเกิดโทษสักแล้วโตตัวของเราเองแล้วเกิดมาหน้าทิฏฐิเป้นตัวของเราเองมาหน้ให้ใชแข็งกล้าขึ้นให้มันถูกมาหน้าให้ถูกทำไมคนดีเขายังทงแ่แต่คนละนี้เหล่านี้ได้ทำไมแล้วก็เป็นคนไม่ใช่หรือเราละไม่ได้หรือ ทำมาหนะามันกล้าแข็งขึ้นเราจะทําอย่างคนนน้นอะ่ะคนที่มันดีแล้วโน่นอะ่ะเขาก็เป็นคนเหมือนกันกับเราทําไมเราจะทําอย่างเขาไม่ได้ที่ยงเลยทอดเที่ยงเลย <c oughs> ไม่ต้องพิจารณามากายไม่ต้องพิจารณาเหตุผลวันที่งก่อนเมื่อทิ้งยงแล้วยังเคยพิจารณาตามหน่ะ มันยังค่อยชัดในเวลดดานี้มันไม่ชัดมันปกคลุมอยู่กิเลสปกคลุมมันไม่ชัดในใจปิจนาที่หลังชัดเลยทีเดียวมันเป็นข้อเหตจนนั้นเนะมันเกิดมาจากเรื่องแล้วนั่นนันเรียวจิตขวนละควรทิ้งค้นถอน คนปล่อยวาเอามาไว้มันก็เป็นเครื่ยุ่งเยืงเดือดร้อนภายใน ใ, นใจเขงติดต้องพูดถึงเรื่องใจเสียก่อนมันเกิดที่ใจนี่แหละจิตใจที่กวนจิตมันเกิดที่จิตนี่แหละจิตที่คนบข่มขีก็ค่คมขีอย่างอธิบายมาแล้ว จิตควรชนเสริญก็ชั้นเสริญยกเงยชมเชยถ้าเกิดปีตียินดีจิตที่ควรละก่ละค้นถอนก็ถอนโดยการอย่างนี้เรียกว่าหาวัายทาบุญด้วยบุญที่เกิดอกิุศลในจิต ไม่ใช่ทาบุญภายนอกทาบุญท้นทานะนะในอย่างหนึง่งเราหัดโทวนาต้องทาบุญด้วยกุศลจิตจิตไม่แน่นีเหนียวแน่นจิตไม่โกรธเกิดโทษสามนะณะจิตไม่เกิดไม่ประกอบด้วยกิเลสนั้นแหละจิตผองใสเพราะนั้นเป็นบุญ เป็นบุญเกิดจากใจเอเกิดจากจิตภายในเราทําอย่างนี้อยู่เสมอเสมอเป็นบุญยุทุกทียาบุตรคราวนี้เราก็เห็นแต่บุญของเรามีในตัวของเรามันก็ชมเชยตัวของเราในตัวเราละความชั่วได้นําไม่เอาความชั่วไว้ในใจ นี่นก็ส้มเวยดีในตัวของเราจะไปหาบุญที่ไหนอีกบุญไม่ไม่นอกเหนือจากใจหรอกมันไม่นอกเหนือจากจิตนี่หรอกเราสาสมวันนี้แหละบุญของเราสาสมกันในที่นี้แหละพระพุทธเจ้าท่านนี้พานแล้วท่านทิ้งวัดคุณก็ทิ้งบาปเขาทิ้ง เราก็หลายท่ทิ้งวะเราเกิดมากันมาเอานี today, ้เน right ี่ยเอาที่ท่านทิ้งวันนี้แเอาของเก่าของท่านเอาควาดีของท่านเอาของเก่าของท่านนะท่านท้ามอย่างนี้เหมือนกันมันก็เกิดคดีนี้แหละที่ใจของท่านเราท้าอย่างนี้มันก็เกิดที่ดีตัวของเรานีงไม่เกิดที่ไหนหรอก ยังหาบุญภายในหาบุญเกิดที่จิต <c oughs> บุญอันนี้ไม่หมดมีสิ้นาะเหตุที่ไม่หมดไม่สิ้นนั่นแหละค้นเกิดมาในโลกนี้ยังค่อยพาเข้ามาสร้างกับบุญกุศล ส, สร้างซะได้ก็ไม่หมดสักที คนมาเกิดมามากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีมากเท่านั้นเพราะมันเกิดจากจิตมันเกิดจากใจมากว่าใจมากหลวงเท่าไหร่แต่สร้างบุญที่ถูกต้องมันก็ต้องมากเท่านั้นไม่หมดมีจินไปทค่ทีพูดสร้างได้แล้วกหรอพอแล้วก็เที่ยงเสีย มัเลยก็จะละทิ้งเสีย แ, แล้ถึงนี้มรโณยพ่างบุญกุศลถึงที่แล้วมันหมดเรื่องไม่มีอะไรหรอกไม่เอาไปด้วยบาปก็ไม่เอาบุญก็ไม่เอาท่านเอามันยังได้อีปากมันยังเป็นพบเป็นชาติเอาบุญเราอบาปยังได้ภพเป็นชาติถึง แรงว่าโลกุตระเหนือโลกไม่มีบุณ่บาปแล้วเึงได้เรีย ก, กว่าเหนือโลกเรายังซอสแสดงหาคุญหาผู้สนอยู่เรียกว่าพากันสร้างบุญนนั้นมันได้ลังในอธิบายมา น, นี่แหละจิตที่ควรชมเชยสนเสริญยกยอชมเชยสนเสริญชมมัน จิตที่คนข่มขี่กรหะนินทาก็ข่มขี่กระหะนินทาถ้ามันเจิละอายมันหายหนาห น, นีหมดนจิตที่คนละคนทิ้งคนละทิ้งถอนมันหมดของที่ไม่ดีทำอย่างนี้เลยมันจึงจะออพไม่ใช่กิ่มเิ็เน บุญกุศลที่ว่ามันท่านละบาปแล้วบุญนะทําอย่างนี้ยังอยอก็ียงพอไปอาณาเทศนี้นเราละมั้งไม่ต้องพไม่ต้องอธิบายอีกล่ะหมดเรื่องอะไรหมดเรื่องอธิบายอะไรอธิบายทั้งเรื่อง ยกย อ, ย อ, ยอชมเชยจิตก็อธิบายมาแล้วจิตที่ดีที่ชอบเรื่องคำความดีของตนมิได้ชินได้ชินข้อตั้งแตช่ชินเนี่ยมาเป็นตน้นอย่างน้อยที่สุดมิชินข้อหนึ่งก็นับว่าเป็นการดีแต่เจตนาตั้งใจจริงๆนะให้เรื่องใสพอใจกับชินขอตงตนจริงๆ เห็นว่าศีล้นเป็นของดีประเสริฐยิ่งชีเรนั้สุขติยันติศีลเป็นเครื่องนำไปสู่ทุกขติที้เรนัโฟกัสัมปทาศีลเป็นเหตุให้ได้โฟกัสสมบัติพสสถานที้เรนที่นิพุติยันติศีลเป็นเหตุให้ถึงพระ น, น, นิพพาน ชิ้นข้อหนึ่งก็เอาไอ้ข้อหนึ่ง็ดีที่สุดจะให้มันเห็นด้วยตนเองให้มันเชื่อมั่นจริงๆ จ, จังๆเราเรียกว่าชมเชย ย, ยกยอท่านทศจิตทั้งตนที่ตนพ้นแล้วจากบาปข้อหนึ่งคือจิต น, นั้นเรียกว่าชมเชยตนอะ คมขี่้นก็โกงเงินขางข้อไหนที่ศีนยังประันไม่งดเว้นเราไม่งดเว้นจากความชั่วเช่นรักชอ่อคงขโมยแรงต่างๆเขามันยังคิดประทุษร้ายคนอื่นอยู่คิดทำชั่วอยู่แม้จะคิดทางนั้นน่ะไม่ต้องอื่นใจ อันนั้นคมขีมันอันนี้มันของเลวทราสินไม่รักษาเป็นเหตุตกนรกอเวจีเป็นเหตุเป็นสติระชานมนุษย์กลายเป็นสัตว์ไปได้เป็นเศษือสุรกายไปได้นั่นก็คมขีมันพระรหัเนินทานยกโทษดูถูกมันทุกอย่างจนมันละอาย เกวดกลัวขึ้นมาเห็นชัดแต่มันก็กลั ว, ลวสิเมื่อกลัวแล้วก็ต้องละใช่ไจิต ท, ที่ควรละก็ละเสียอันสิ่งที่เราเห็นชัดในตนเองนั้นมันละในตัวเราอธิบายมาสามอย่างเท่านี้แหละก็เป็นแล้วพอแล้วเรา ทำธรรมที่พ่อนาละสามอย่างนี้แหละก็ทําตามสามอย่างนี้แหละคือว่าข่มขียงย่อชมเชยสนเสริญอะไรขมขี่ละถอนทานัรก็พอ